أعوذ ب الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمن เราคุนั้นเป็นบานเอตินากนะะนาะว่ากันอาคุณระาขอบคุณพระเบคุะเจ้าขอระเาบคุณพระเจ้าขอุณพระาขอบุณระเจ้าขอบคุณพระาขอบคุณพะเจ้าขอบคุณะาขคระเจ้าขระเอบเจ้อบคุณพระอบระเานอบคุณะขอบรเอบ้อุณพ้ขอพระเอรเาขอุ้าะาร้า ใช้ชีวิตร่วมกันหรือได้แบ่งปันเวลาส่วนหนึ่งของเราเพื่อการเรียนรู้นะครับวิธีแห่งออิสลามที่อัลลอฮสุบาวรตะลาได้ประทานลงมาพร้อมกับคำพีของพระองค์นะครับอัลกุรอานก็คืออิสลาม าเราถามว่าอิสลามคืออะไรเนื้อหาของอิสลามอะ่ะแน่นอนว่าประการแรกเลยก็คืออัลกุรอานเราจะบอกว่าอิสลามคือคำพีเล่มนั้นหนังสือเล่มนี้ตำราเล่มนั้นเล่มนี้ไม่ได้เพราะตำราอื่นหนังสือเล่มอื่นนอกจากอัลกุรอานนั้นต้องถามก่อนว่าเป็นตำราของใคร เนื้อหาที่ถูกเขียนในตำราเล่มนั้นเล่มนี้ที่เราอ้างกันเนี่ยเป็นตำราของใครแลที่เรากล้าไปบอกว่านี่คืออิสลามเพราะฉะนั้นเนื้อหาของอิสลามก็คืออัลกุรอานอดีนุลอิลาัฮีศา ส, สนาของอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ل ก็คือเนื้อหาที่มีอยู่ในคำพีของอัลลอฮ์ سبحانه ละส่วนวิธีการวิธีการหรือ ขั ah yang Allah okay. ul pak ้นตอนการปฏิบัติว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรให้มันตรงกับอัลกุรอานที่เป็นเนื้อหาศาสนาขององค์สุบฮานอตั๋ลละก็คือตัวอย่างที่มาจากระสุลุลลอฮ์สัลลัลลอฮุอะลัยฮวะัลลัมภาคทฤษฎีคืออัลกุรอานอุลกีรมในขณะที่ภาคปฏิบัติคือสุนนะของท่านระสุลลุลลอฮ์สัลลัลลอฮมุอะลัยฮวะัลลัมอัตเตดัยอัลมุฮัมมัด วิธีการนัถือศาสนาตามรูปแบบของมอุฮัมมัดลอะมเนั้นบางทีเราอาจจะมีอัลกุรอานมีเนื้อหาเราอ่าอัลกุรอานแต่เราไม่ได้ปฏิบัติตามวิธีการของผู้กำกับหรือผู้ที่อัลลสุบฮฺฮะตอละทรงมาให้มันเป็นตัวอย่างภาคปฏิบัติแก่ประชาชาิของท่าน เราจะบอกว่านี่คืออิสลามที่แท้จริงได้อย่างไรได้ว่าเราไปตามคนอื่นที่ไม่ใช่มุฮัมมัดสุลตัลลอัลัลลัมใครเป็นคนกล้ารับรองใครที่จะเป็นคนพิสูจหรือประทับตราว่าศาสนาแบบที่คนคนนั้นทำตัวอย่างให้ดูเป็นศาสนาที่ถูกต้องไม่มีใครรับรองผู้ที่อัลลอฮ์สั่งอะไรรับรองก็คือมุฮัมมัดลตัลลลอััลลัม เท่านั้นเพราะฉะนั้นมันจะต้องไปคู่กันหนึ่งเราจะต้องเรียนรู้ทฤษฎีของอัลกุรอานอิสลามเนื้อหาของอัลกุรอานเนี่ยเราจะต้องรู้จะต้องเรียนให้ให้เขา้าใจและเราจะต้องเรียนวิถีหรือสุนนะสุนนะสุ น, นก็คือวิถีเส้นในสุนนะก็คือการเดินเดินบนเส้นทางนี่คือที่มาที่ไปของคําว่าสุนนะบางทีพอเราพูดสุนนะสุนนะเนี่ยมันติดบากจนกระทั่งเรา ไม่พยายามที่จะหาความหมายของมันที่แท้จริงของมันคืออะไรสุนนะก็คือวิถีทางคําว่าสุนนะก็คือวิถีปฏิบัติวิธีการปฏิบัติของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลละวะสัลลัมแต่เวลาที่เราตามคนอื่นแสดงว่าเราไม่ได้ตามสุนนะของท่านนาบีเราไปตามสุนนะของคนอื่นดังนั้นอัลกุรอานคือดีนุอิลลาฮีเนื้อหาจากอัลลอฮ์ س ب ح ا ะ ه และ تعالى ในขณะที่สุนนะ คืออัจไดยุนวิธีการที่เราปฏิบัติตามศาสนาของแนวทางของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮอัลเลาะห์ัลลัมป็น้องครับบางท่านอาจจะเข้าใจว่าคำเพียร์อัลกุรอานหรือสำหรับคนที่ไม่ได้ศึกษาอัลกุรอานเพื่อหวังผลในภาคปฏิบัติมาก่อน ก่อนหน้านี้เราลองทบทวนตัวเราเองดูนะครับว่าเราเรียนอัลกุรอานเพื่ออะไรบางทีเราอาจจะเรียนอัลกุรอานไม่ได้เพื่อที่จะปฏิบัติเรามอง Al uran, มอัลกุรอานมุมมองของเราที่เรามอง Al uran, อัลกุรอานก่อนหน้านี้เราอาจจะมองมันเป็นฮอลลีบุ๊เรียกว่าเป็นคำพีสิท์มองมองในมิติของความศักดิ์สิทธิ์ของอัลกุรอานก็เลยทำให้เรากลัว กลัวที่จะเข้าใกล้ของศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมักจะเป็นของที่เราใช้เป็นของสูงเรามีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนธรรมดาธรรมดาเป็นชาวบ้านเป็นคนหาปลาเป็นคนกรีดยางเป็นคนตำเต้ตยจนกระทั่งเราไม่กล้าที่จะแตะอัลกรุรอานอิสลามอันนี้เขาเรียกว่าหนึ่งในจ้นวสิ่งที่ชัยตอนเอามาหลอกเรา ไม่ให้เราเข้าใกล้อัลกุรอานก็คือทาให้เรารู้สึกกลัวไม่ใช่กลัวในแบบที่เรากลัวสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยแต่กลัวว่าเราจะไปเรียกว่ามันเป็นเส้นบางๆที่ทําให้เราไม่กล้าที่จะเข้าเข้าหาอัลกุรอานอิสลมเพราะมันเป็นของสูงเป็นของศักดิ์สิทธิ์คนสมัยก่อนเขาก็เลยเก็บอัลกุรอานอย่างดีสมัยก่อนอัลกุรอานจะไม่อยู่แบบนี้เขาจะมีถุง เฉพาะเลยเอาไว้เก็บอัลกุรอานเก็บจริงๆ <laughs> เก็บจริงๆแล้วก็อ่านปีละครั้งบางทีก็สุดล่าเพราะมันเป็นของสูงเรามองอัลกุรอานในมิติของความศักดิ์สิทธิ์เราไม่ได้มองอัลกุรอานในมิติของอัลฮิด a นะทิลกอะยาทุลกิทับอัลฮะคิมฮุดัน วะร่ำ للمحسنين Allah تعالى บอกว่าที่ล an, ่ะอายะ ا ل บ حكيم นี่เป็นองคารอัลกุรอานที่มีวิทยาปัญญาอยู่เต็มในนั้นคลังความรู้เราไม่ได้มองอัลกุรอานในมิตินี้เราไม่ได้มองอัลกุรอานในมิติของอะไรเขาเรียกสิ่งที่ต้องเรียนสิ่งที่ต้องค้นคว้าสิ่งที่ต้องวิจัยเราไม่ได้มองอัลกุรอานในมิตินั้น Allah ตั้งาลักว่ามันเป็นหุ้นเป็นฮิดายะเป็นทังนำ้ำวาะห์ตันและเป็นรัฐ ม, ين ين, ม, มน์ลิลมุฮซินีนลิลมุมมินีนด้วยลิลมุตเตกีนด้วยนั่นแหละครับก่อนหน้านี้เราก็เลยไม่ค่อยที่จะเข้าใกล้อัลกุรอานแต่พอเราเริ่มเรียนรู้อัลกุรอานการเรียนอัลกุรอานไม่ใช่เรียนเพื่อ คือเราไม่ได้ปฏิเสธความศักษษษดิ์สิทธิ์ของอกษษุรอานพี่น้องอยากเข้าใจผิดเราเรียนอัลกษษุรอานเนี่ยเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ด้วยเพื่อเอามาปฏิบัติ ด, ด้วยเพื่อภาคปฏิบัติเนี่ยสำคัญมากที่เราจะต้องรู้แล้วดูสินะคือพยายามที่จะต้องพยายามที่จะเปลี่ยนความคิดของเราซิมเก่าของเราซิมเก่าที่มันมีอยู่ในสมองเราเนี่ยเราต้องการเปลี่ยนซิมใหม่ ที่เป็นเรว่า 3G 3G 4G แล้วไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ GPRS อ, อะไรนะไม่ใช่ระบบเก่าอะไรนะ GPR อะไรนะซิมรุ่นเกา่าอ่ะเป็นซิมก็ได้อะไรนะ GPR อะไรนะ GPRS เหรอ g p s ใช่ไหม <laughs> มันซิมเนี่ยมันก็มีรุ่นของมันใช่ป่ะสมัยก่อนมือถือนี่เขาใช้ใชเฉพาะโทรอย่างเดียว มันจะมีเอ่อ uh, GPRS มีรุ่น A แล้วก็ขึ้นมาเอ่อ uh, รุ่น G G plus แล้วก็ H plus อะไรก็ไม่รู้ของเขาเดี๋ยวนี้เขามี 4G มันก็ซิมนั่นแหละแต่ว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนพราะว่าอัปเกรดอัปเกรดสักหน่อยอยากจะให้มองอัลกุรอานในมองที่ท่านนาบีใช้สอนสอนาษบ้า ข, ของท่านมาดูอย่างเช่นูุรตุ่นมาอาริช สุรทุมมาริษที่เรเรียนกันอยู่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เราเรียนเนี่ยเป็นภาคปฏิบัติเลยถ้าเรามองอัลกุรอานในมุมมองของความศักดิ์สิทธิ์ถามว่าอายัดพวกนี้นี่เราจะปฏิบัติตอนไหนเราจะปฏิบัติตอนไหนถ้าเรามองมันมีแต่ความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อให้เราไปปฏิบัติอันนี้เป็นจุดสําคัญมากจะทําอย่างไรให้เราสามารถปฏิบัติกับเนื้อหาของอัลกุรอานได้เวลาที่อัลลอฮฺสุบไบร์นสัลาถามเรา ในวันอะเครัตหรือตอนที่เราไปอยู่ในกกโบเนี่ยไหนอายะที่คุณปฏิบัติกับกับเราจะตอบว่าตรงไหนอ่ะถ้าเราไม่ได้เอาอายะที่อัลลอลฺประทานลงมาเอาไปปฏิบัติในชีวิตของเราจะเอาอายะทีไหนไปไปบอกกับอัลลอฮฺสุบะละตะแล้วว่าอยาอัลลอฮ์นี่คืออายะที่ฉันปฏิบัติแล้วถ้าเรามองอักุรอานแบบเดิมๆหมายถือว่ามุมมองของเราที่เรามองอัลกุรอานเป็นความศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวเราต้องมองว่าอัลกุรอานมาเพื่อให้เราปฏิบัติ ให้เราปฏิวัติปฏิรูปความโลกเขาของมนุษยชาติในยุคที่พี่น้องครับเมื่อวันอังคารผมมีโอกาสได้ไปฟังสุขานอลลอในอัลโุรานนะครับมีอายะที่พูดถึงดาราศาสตร์อย่างน้อยหนึ่งพันอายะ นี่คือความรู้ซึ่งมันถูกประทานลงมาแล้วหนึ่งพกว่ารอปีหนึ่งันหนึ่งพันกว่าหนึ่งสี่รอยกว่าปีหนึ่งพรอยปีหนึ่งพันสี่รอกว่าปีตรงนี้หนึ่งสี่สามเจ็บวกกับสิสิบาปีก็ประมาณหนึ่งพันสี่อยหนึ่งันสี่รอยสี่สิกว่าปีที่เริ่มแร ก, อ, กอัลกุรอานถูกประทานลงมามีอายะที่พูดถึงดาราศาสตร์อยู่ 1,000 พันอายะ อะไรคือคัมภีเรื่องนี้พี่น้องสามารถที่จะหาคําตอบได้ในยุคที่คนไม่เคยไม่มีเทเลสโคปไม่มียานอาวกาศไม่มีการวิเคราะหวิจัยใดใทั้งสิ้นแต่อัลกุรอานมาเพื่อที่จะปฏิวัติความคิดของมนุษย์ให้มองไปท้องฟ้าให้มองไปยังแผ่นดินให้มองไปยังมลูกรอบรอบข้างนี่คืออัลกุรอานอลกิริมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่คัมภีร์ที่เอามาตั้งเอาไว้บนหิ่ง เอามาปราบผีเอามาปราบผีอย่างเดียวไม่ใช่หรือเอามาใช้เวลาสาบานมีศักดิ์ศรีต้องใช้เวลาสาบานอย่างเดียวแต่ไม่เคยที่จะเอามาคลิกดูว่ามันพูดถึงอะไรปติวัติอะไรเราได้บ้างเอามาใช้ได้อย่างไงเอามาพูดถึงอะไรสุนัขอลาล่าคอสซร์นนะคนที่ไม่เรียนอัลกุรอานเป็นคนที่ขาดทุนมากนี่คือสิ่งที่เราอยากจะให้มันกลายเป็นเป็นดีเออ ให้มันกลายเป็นดีเออของมุสลิมของโงมินน่ะเพราะอัลกุรอานสําหรับท่านนบีเป็นดีเอ็กานะาคุลุกุลคุร่าแยกไม่ได้ชีวิตของท่านนบีแยกออกจากอัลกุรอานไม่ได้อัลกุรอานสำหรับท่านนบีแยกออกจากชีวิตไม่ได้งั้นเราจะทํำยังไงให้มันกลายเป็นชีวิตจิตใจของเราเหมือนที่อัลกุรอานเป็นชีวิตจิตใจของท่านนบีสำหรับเราเราบกพร่องมากกับอัลกุรอานเนี่เราเป็นเป็นผู้ที่บกพร่องมากๆนะครับ ไมว่าจะเป็นบกพร่องกับการเรียนการอ่านตั้งแต่แรกเลยการอ่านเราก็บกพร่องการใคร้ครัวเราก็บกพร่องการทําความเข้าใจกับมันเราก็บกพร่องการปฏิบัติตามมันเราก็บกพร่องการบอกคนอื่นเราก็บกพร่องเราบกพร่องหลายเรื่องมากกับอัลกุรอานอัลกริถ้าเราไม่ปฏิวัติมุมมองของเราเนี่ยเราจะยิ่งบกพร่องกับอัลกุรอานมากกว่านี้นะอัลลอฮฺบินลาฮ์มลาห์นอกจากที่เราจะบกพร่องกับอัลกุรอานแล้วเราเป็นคนขาดคุณเองเพราะความรู้ต่างๆที่มันมีอยู่ในอัลกุรอานเนี่ย เราเข้าเราเข้าไม่ถึงมันเราเข้าไม่ถึงมันจริงๆไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับให้เราให้ให้เรามีความรู้สึกว่าไอ้มันมีความรู้สึกว่าเรายังต้องการอัลกุรอานมากๆนะครับจำเป็นมากๆเลยที่เราจะต้องออยอมตัวเองด้วยการด้วยการเอาอัลกุรอานมานะเป็นอภรรเป็นชีวิตเป็นอัคลาคตาของเรามือของเราหูของเราทุกอย่าง เราต้องมีอัลกุรอานมาคอยควบคุมให้เราสามารถปฏิบัติตามอายะต่างๆที่เราสามารถจะอมัลได้ตามอายะทงมันเลยทัทีขออัลลอฮ์ ا ن ه และุรุลลอฮตบเอละรุลลอฮอตบิอะมาดูกันสักนิดหนึ่งนะครับกลัวจจยาวมกบีมายาวเป็นไปเดี๋ยวไม่จุสุระนะอ่ะดูครับสุระทุลมาอริชวันนี้อายะที่เริ่มอ่านอายะที่ยี่สิบนะครัม ยสิบเสเสป็นกลุ่มอายัดเดียวกันุบฮัลลอฮ์ลนสนะครับอาอุบิลลาฮิมินัชตนรจ إ ินَ ا อَน خلقه ل و ع إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوعا إلا الخ من المصلين الم الذين هم على صلاتهم د ا ئ م ُ وال َّ ذ ي ن في أموالهم حق معلوم ل مع ل, أ مع ل س ا ئ ِ والمحروم وال الذين يصدقون بيوم الدين وال الذين الد هم من عذاب ربهم مشفقون อินนั่งาบะรับบิห์ม غير ม و ่มน์วละด والذين هم لفروجهم وال حافظ و ن إ ิลّ ا ะ على أزواجهم َِْْ أو َْ ما ملكت َ أيمانهم َُُ فإنهم َُِ غير َُ ملومين َُ فَمَنِ ابْتَغَى و َ ر َ ا ء َ ذَلِكَ ف َ أ ُ و ل َ ئ ِ ك َ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَتِهِمْ ا و َ ع َ ه ْ د ِ ه ِ م ْ رَاعُونَ والذي نؤمن آن عليهم ب ا ش َ ه ا د ا ت ه م قائمون والذينهم على صلاتهم يحافظون أولئك في, <ق> في جنات مكرمون الحمد لله นะครับโอเคนอิน ا ن س ا ن ل ّ ق ه ه ا ل ش و ع ً وإذا مسه ا ل خ ا ً إلا ا ل م ل ي ن ยันเนี่ยนะครับตั้งแต่ข้อที่สิบค่าไปจนถึงข้อที่สามสิบห้าเป็นข้อที่สวยงามมากเป็นข้อที่ภาคปฏิบัติขอให้เราจำเอาไว้หมายความว่าเวลาที่เราข้อนี้เนี่ยเราจะบอกว่า อัลกุรอานถูกประทานลงมาให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้แล้วเพราะอายะห์ทั้งหมดเนี่ยเป็นภาคปฏิบัติต้องการให้เราปฏิบัติอัลอลอฮฺพูดถึงคุณลักษณะของผู้ที่จะประสบความสําเร็จโดยบอกถึงความสําคัญของมันว่ามันสามารถที่จะรักษาโรคที่เป็นจุดอ่อนในตัวของมนุษย์ได้โดยธรรมชาติของมนุษย์ มันจะมีจุดอ่อนอยู่ประการหนึ่งก็คือความละโมบหรือความเลยเถิดในขอบเขตเวลาดีใจก็ดีใจ จ, จ, จนเกินเวลาเป็นทุกข์ก็ทุกข์เกินไม่ค่อยจะสมดุลคนที่สามารถจะรักษาความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นทางลบมากเกินหรือทางบวกเยอะเกินได้ก็คืออัลโมซอลลินคนที่เป็นผู้ละหมากรักอละอาลาใช้คําว่าผู้ละหมาดซึ่ง พูดถึงคุณลักษณะของผู้ละหมาด ก, กี่ประการในอายัดนี้นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนไปแล้วสองอย่างหนึ่งอัลลดีนะฮุมอัลลอซอไลทีฮิมดลอิมูนคนที่รักษาการละหมาดให้ตรงต่อเวลาถึงเวลาละหมาดถึงเวลาก็ละหมาดนี่คือประการที่หนึ่งเป็นอิบาดะจนบาดานีอเป็นอิบาดะเชิงร่างกายประการที่สองวัลลัดีนะฮุมฟีอัมวาลีฮิมฮักุมมาลุคนที่ เขาเรียกว่าให้สิทธิกับทรัพย์สมบัติของเขามีการผมไม่ได้อ่านสัปดาห์ที่ไม่ได้อ่านคําพูดตัปซีที่น <|so|> ่าสนใจมากนะครับเป็นการตัปซีทเกี่ยวกับอายักที่บอกว่าวันลซีนอาหมฟีอัมวาลิหิมพักกลมมะลุมเนี่ยเดี๋วอ่านสักนิดหนึ่งเพื่อให้เราเข้าใจได้ได้มากขึ้นนะเช่นในตัปซีท์เขาบอกว่าอย่างไงเขาบอกว่า ا و ل ئ ك المؤمنون الصادقون الذين جعلوا في อ م و ا ل ه م حقا معينا يخرجونه عن จ خ ل خ ا ข وطيب خاطر งข้อทีงข่จรรริงข้อี่จริง้อริที่ออี้จริง้รทที่ท้จริงี่้ที่ ส่วนหนึ่งจากทรัพย์สินของเขาเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเวลาที่เราได้เงินเดือนน่ะพี่น้องใครที่บริหารเงินเดือนเก่งๆเนี่ยเขาจะแบ่งสัดส่วนเข้าใจไหมฮะหนึ่งส่วนสมมติว่าส่วนกี่เปอร์เซ็นต์สําหรับใช้ใช้ในแต่ละเดือนกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับ เ, เก็บเอาไว้ในธนาคารสัดส่วนนะกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับใช้เพื่อ อะไรเขาเรียกลงทุนอะไรก็ว่าไปคนที่เป็นมุกมินเนี่ยเขาจะต้องมีสัดส่วนเฉพาะที่จะเก็บเอาไว้สำหรับธนาคารของอาขรั์มุกมินจะต้องมีส่วนนี้ด้วยเนยถ้าเราไปดูไปดูการบริหารจัด ก, การการเงินที่เขาแนะนำเราตอนนี้ใช่ไหมเขาบอกว่านะสบเอร์ซนจากเงินเดือนจะต้องเก็บเอาไว้ออมเลยก่อนที่จะใช้เนี่ยสิต้อ ง, ต, องต้องเก็บไว้เลย เพือออมสำหรับตอนกเกษียณหรือตอนอะไรก็ว่าไปอันเนี้ยสูตรเฉพาะคนที่ใช้ชีวิตในโลกดุนียาอย่างเดียวไม่มีอาใครรัตแต่คนที่มีอาใครรัตนะคนที่มีอาใครรัตเนี่ยจะต้องมีส่วนหนึ่งสําหรับชีวิตหลังจากความตายของเขาด้วยแล้วที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่บังคับไม่ใช่บังคับนะออกไปจากสัดส่วนนี้ที่เขาบริจาคไปเนี่ย อันตีบวนาสินอันอิคลาสวตีวิอติรออกมาจากความบริสุทธิ์ใจเขาจริงๆเหมือนกับว่าเงินเดือนออกหนึ่งมืนบาทสมมุติหนึ่งมื่นเนี่ยเขาเก็บเอาเลยสําหรับการบริจาคที่มันออกทุกเดือนทุกเดือนที่เขาจะใช้บริจาคนี่คือความหมายของอายัดนี้คือต้องจัดเอาไว้เลยสําหรับสําหรับเก็บเอาไว้ในคลังของ Allah سبحانه และเขาก็จะไปรับ ในวันอครามันมีอายะที่น่าสนใจมากนะครับที่เาพูดถึงที่ผมพูดถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ไม่ได้อ่านอายะทให้ฟังอายะทในสุรตรุมสุรตรุมอายะที่สิบก้าอัลลอฮฺ ت ع ا ل าบอกว่าว <ت ص في ق> um ่มาอาตตุมยิบันลีรบุฟีอัมวาลินัสเฟลัยรูอินดะลอมันตรงกันข้ามกับการลงทุนของมนุษย์ที่มีแต่โลกดุนยาส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่ใช่ผู้ศรัทธาเนี่ยวิธีการ ที่เขาจะใช้ในการเพิ่มทรัพย์สินของตัวเองที่เขาเรียกว่าวิธีการฮอตฮิตสุดฮอตสำหรับคนทั่วไปก็คืออะไรฮะดอกเบี้ยฝากเงินเพื่อกินดอกหรือให้คนอื่นยืมเงินเราเพื่อเพื่อเก็บดอกอันนี้เป็นวิธีที่คนทั่วโลกเขาใช้กันอัลลอตาลาบอกว่าอย่างไงว่ามาอะไทตุมริบัน สิ่งที่พวกเจ้าให้คนอื่นให้เงินคนอื่นยรบัวฟีอมวาลินสเพื่อที่พวกเจ้าจะได้เอาดอกเบี้ยจากพวกเขามาเนี่ยอัลลตาลาบอกว่า فلا มันจะไม่งอกเลยนะอัลลอ سبحانه แะ تعالى เด็ดขาดอันนี้คือข้อเท็จจริงสำหรับอัลลอ์เพราะฉะนั้นมุสลิมจะไม่มีเรื่องแบบนี้เรื่องเอาเงินไปฝากไว้เพื่อกินดอกเบี้ยไม่มีเด็ดขาด หรือให้คนอื่นยืมตังและเก็บดอกเบี้ยจากเขาห้ามเด็ดขาดไม่มีอัลลอฮฺตัลลาห้ามเด็ดขาดแต่สิ่งที่จะ ง, งอกเกยนะองเกยนะอัลลอฮฺสุบะฮฺตัลลาฮ์ r i ไม่งอกเงยนะอัลลอ์สิ่งที่จะงอกเงยก็คือว่ามาอะไตรตมินザกาตตูริดูนวะจฮัลลอฮ์ فأولائكم المضعفون อัลลอฮฺตัลลาบอกว่าสิ่งที่พกเจ <ت ص في ق> ้ า, า, าให้ออกไปที่เป็น z a k a นั่นแหละ นะ z a กาที่เจ้าให้พระหวังวะจัฮัลลอห์หวังในพระพัก ข, ของ a l a h s หมายถึงว่าทำด้วยความเอกราสทำเพื่อ Allah คนเหล่านี้แหละเป็นคนที่ลงทุนอย่างแพ้จริงอัมดอยฟูนก็คือคนที่ลงทุนนักลงทุนตัวฉกาตก็คือคนที่จ่ายบริจาคทานให้ zakat าาไปโดยหวังจาก Allah s u นี่คือ นักลงทุนตัวจริงที่อัลลอะฺแต่เราพูดถึงในสุรธรรมอายัดที่ยี่สิบเก้านะครับเราจะทํำยังไงให้มันให้มันมีในชีวิตของเราเอาง่ายๆก็คือถ้าเป็นคนที่กินเงินเดือนเงินเดือนมาปุ๊บเอาเอาอกไปจากใจที่บริสุทธิ์จริงๆเพื่อเขาเรียกว่าบริจาครายเดือนให้มีสัดส่วนที่เราไม่ต้องบอกใครไม่ต้องบอกใครให้มันเป็นความลับของเรากับอัลลอฮฺสองต่อสองป่า ให้มันให้มันเข้าแบบฮะดิษท่านอบีบอกว่าแม้กระทั่งถ้าบริจาคมือขวามือซ้ายก็ยังไม่รู้อะ่ะลองดูซิว่าเราจะทำได้ไหมพยายามปกปิดการบริจาคของเราคือจริงๆแล้วการบริจาคนี่มันมันเปิดเผยได้เปิดเผ ย, ยในบางกรณีก็อาจจะดีกว่าการปกปิดนะครับแต่ไม่ทุกกรณีมันมันให้มีแบบปกปิดด้วยและให้มีแบบเปิดเผยด้วย การที่เราบริจาคแบบเปิดเผยเนี่ยบางทีมันอาจจะมีผลดีที่เราไม่คาดคิดยกตัวอย่างเช่นสมัยที่ท่านนาบีสลุลต่นลานอมตอนที่จะไปสงครามตาบุกใช่ไหมครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นปีที่เกิดความแห้งแล้งมากแล้วจะไปทำสงครามต้องใช้คุนเราจะออกไปป้องกั น, นก็เลยไม่มีคือแน่นอนที่สุดว่าเวลาที่เศรษฐกิจฝืดเคืองเนี่ยการใช้จ่ายมันก็ มันก็ฝืดเคืองด้วยคนก็จะเก็บหอมรอมริบไม่ยอมออกตังไปท่านอภินิกก็เลยประกาศว่าใครที่จะออกไปะจะบริจาคเพื่อเอาไปใช้ในสงครามตะบุกบ้างแล้วทำใจรับประกันนะครับสุภาอลลพนั่นแหละครับมาแล้ะ <c oughs> อับูบักมาเป็นคนแรกเลยอันนี้คือเขาเรียกว่าบริจาคแบบเปิดเผยเพื่ อ, อ, อให้คนอื่นมันก็มีกรณีในบ้านเราสมมติตัวอย่างนะในสังคมคนไทยโซ สมมติสมมติเราจะสร้างโซล่าอย่างเงี้ยไม่มีใครยอมบริจาคมีคนรวยอยู่เยอะเป็นร้อยเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านแต่ไม่ยอมออกมาลองมีเขาเรียกว่าคนรวยเนี่ยเขาจะมีสังคมของเขาสังคมพวกไฮโซวีไอพใช่ไหมกว่าจะออกมาเนี่ยมันออกมาไม่ได้แต่พอออกมาสักคนหนึ่งเฮย้ยยอมแพ้ได้ไงเนี่ยเข้าใจไม้มเหมือนกับว่าคูกแข่งของตัวเองเนี่ย ควักออกมาเหมือนเป็นการประมูลอะไรสักอย่างหนึ่งมันอยู่ไม่ได้มันมันก็งีเหมือนกันนะพวกไฮโซนมันจะเป็นก็เรียกว่าอนะแพ้ไม่ได้เสียศักดิ์ศรีไม่ได้เสียเสียหน้าไม่ได้เสียเสียตังเสียได้แต่เสียหน้านี่เสียไม่ได้ถ้าคนนี้ออกแสนหนึ่งอ น, นี่จะออกสองแสนถามว่าผลประโยชน์มันจะได้ใครผลประโยชน์มันจะได้กับคนที่รับบริจาคหรือโครงการที่เราต้องการบริจาคเพราะฉะนั้นการบริจาคในบางแง่ ม, มุมควรจะต้องเปิดเผย เพื่อดึงให้คนอื่นบริจาคเพิ่มแต่สำหรับเราคนเล็กๆที่ไม่มีตังค์คนที่ไม่ใช่ไฮโซเนี่ยให้มีแบบแบบเขาเรียกว่าใช้เพื่อเพื่ออยู่ใต้ร่มเงาของลอสสุบฮานาอัลอฮฺในวันอัครัฐบริจาคแบบลับเมียก็อยากให้รู้ภ <laughs> รรยาที่บ้านก็อยากให้รู้นะว่าให้มันเป็นเ็าเรียกว่าเป็นเป็นอา말ศิร เป็นภาคปฏิบัติที่เราไม่บอกใครนอกจากอเล็กซ์เวลล์แต่อะไรเพื่อจะได้หวังแต่ละนะไปหามาเลยสมมติดเดี๋ยวนี้เนี่ยมันแหล่งที่จะบริจาคนี่เยอะแยะไปหมดบริจาคให้เด็กกำพรา้าบริจาคให้พลสติงบริจาคมันมีเขาเรียกว่า เ, าเลขบัญชีธนาคารที่เขาประกาศอะไรเนี่ยไปเก็บมาบัญชีธนาคารอาศัยนะพอถึงปุ๊บบริจาคเดือนละร้อยสมมติ ให้เด็กกัมพราเดือนละร้อให้ฟลอสติ้เดือนละร้อบริจาคให้หลากหลายเขาเรียกว่ากระจายความเสี่ยงในการลงทุนนะไม่ใช่บริจาคอยู่แค่แค่บัญชีเดียวหรือเดือนนี้อาจจะบรจาคให้เด็กกัมพราเดือนต่อไปบริจาคให้ซีเรียเดือนต่อไปบริจาคให้โรฮิงญาเขาแล้วแต่คุณแล้วแต่มันมีทักษะมีเทคนิคมีศิลปะในการบริจาคเยอะแยะมากมายเอาไปสิแต่ขอให้มีให้มีที่มันออกมาจากความเขาเรียกว่าความบริสุทธิ์ใจของเราจริงๆโดยที่ไม่มีการบังคับอ่าไม่ใช่ว่า ต้องต้องมีซองมาก่อนแล้วถึงจะบริจาคอะไรเนี้ยบางทีก็คือที่บริจาคใส่ซองไม่ใช่เพราะอะไรหรอกเพราะอายเพื่อนก็ให้ซองมาแล้วอายเพื่อนก็ยังไงยังไงก็ต้องใส่อันนี้มันไม่ใช่อยากจะให้มีแบบที่ไม่ต้องมีซองมาแต่เราออกไปก่อนเลยด้วยนะนี่เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วมันจะรักษาความรู้สึกในใจเราได้แน่นอนนะคนที่สามารถจะออกหนทางออกรอบสมองตาอาไรได้โดยทีย่ไม่มีการบังคับผีดแน่นอนมันจะรักษาโรคแหล่ ได้นะอินนัลอินซาห์คุลกะฮลูอันจะไม่มีละนิสัยนี้เพราะว่าเราคุมใจเราอยู่นะครับต้องฝึกดูต้องฝึกนะทุกอาทิตย์ให้มีการบริจาคเล็กเล็กใ้นะ้อนะเป็นรักษาใจนะรักษาความความ ส, สกปรกโสโคร ก, ก, รกที่จะคอยมากัดทิมจิตใจของเราเพราะว่ามาากสสมาลุนมินซาดะกะท่านนัมบีบอกว่าทรัพย์สมบัติของเราเนี่ยมันจะไม่ลดเพราะการบริจาคทานหรอก เวลาที่เรากินอาหารอร่อยๆเนี่ยเราสามารถที่จะควักจ่ายได้เป็นร้อยเป็นพันแต่เวลาที่เราจะบริจาคเนี่ยเราคิดแล้วคิดอีกอันนี้เป็นต้นนะครับนี่คือนี่คือภาคปฏิบัติเราจะทํำยังไงถ้าสมมุติพี่น้องสามารถทําได้แบบนี้เนี่ยอายัดนี้เนี่ยพี่น้องสามารถจะเอาไปด้วยความภาคภูมิใจต่อนน้นอาาลัลลอฮ์ทรงฮานต์เราได้อีชอละแล้วเราขอดูอาให้เราสามารถปฏิบัติตามอายัดนี้ได้ นะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นภาคปฏิบัติของอายะฮ์อัลกุรอานได้เลยนะครับอัลล์ฟิกนะอัลล์ฟิกนะอัลล์ฟินะต่อไปนะครับนี่คือสองประการสองประการแรกที่อลัอลอลอฮ์อลาพูดถึงวิธีการบำบัดจุดอ่อนของเราอายะฮ์ต่อไปวันนนลีียยสดยยดดกูบมิและบรรดาผู้ที่เชื่อมั่นในวันอาคิรั์วันแห่งการตอบแทน บรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อวันแห่งการสอบสวนและการตอบแทนด้วยการตรเตรียมการกระทําความดีทั้งหลายยู่ซดดียกูนก็คือการเชื่อเยอมิดดีนก็คือวันแห่งการตอบแทนมาลีเกียวมิดมดีนเยอมิดดีนอดีนเนี่ยโดยรักษ์ของมันก็คือการตอบแทนแปลงไหมครับอ ด, ดีนเนี่ยอ ด, ดีนที่หมายถึงที่เราแปลว่าศาสนาเนี่ย เราแปลววันแห่งศาสนาในอัลกุรอานเนี่ยคําว่าเยามิตดีหมายถึงวันแห่งการตอบแทนวันในการตอบแทนก็คือวันอัคคีรัตเมื่อเราศรัทธาว่าวันหนึ่งเราจะต้องกลับไปรับผลตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮาน า, าลอัลลอฮฺไม่ว่าผลตอบแทนจะเป็นผลตอบแทนด้านดีหรือผลตอบแทนด้านลบเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวสิแเมื่อมีอีกวันหนึ่งที่เราจะต้องไปรับผลตอบแทนทําอะไรบ้างเพื่อที่เราจะไปรับผลในวันนั้น ว่ต้องปฏิบัติสําคัญมากนะครับการทําดีนี่สําคัญมากการทําดีเป็นเครื่องหมายว่าเราศรัทธาต่อวันอัคราใครที่บอกว่าเองศรัทธาต่อวันอัคราแต่ไม่ได้ทําอะไรเลยเขาเชื่ออย่างเงี้ยเขาศรัทธาจริงๆมันมีอยู่สองฝั่งนะครับอันเนี้ยสาคัญมากเหมือนกันเพราะบางทีเวลาที่เราบอกว่าเราเป็นมุสลิมแต่เราอยู่เฉยเฉยไม่ทําความดีเลยเข้าข่าย กลุ่มคนประเภทที่เราเรียกว่าในสมัยก่อนนะัเขาจะเรียกคนพวกนี้ว่าอัลม ah ูร์จิอามุร์จิอาก็คือคนที่เชื่อในอัลลอฮ์บรหัมต้าละอ้างว่าเชื่อในอัลลอฮ์บรหัมต้าละด้วยจิตใจอย่างเดียวเชื่ออย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรก็พอแล้วซึ่งมันไม่พอจริงๆแล้วมันไม่พอคนที่บอกว่าเป็นตัวเองเป็นมุสลิมโดยที่ไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ย ไหนอไหนเครื่องหมายว่าตัวเองเป็นมุสลิมจริงๆไม่ได้ทําอะไรเลยนี่อัลลอฮฺว่ากันจะไปอัคราสยังไงแล้วพอถึงวันอัคราสจะเอาอะไรไปแลกเหมือนกับคุกปองคุกปองที่จะเอาไปแลกกับวอลล์สโรว์กันแล้วไหนอะไม่มีอะไรเลยนี่สาคัญมากการปฏิบัติที่ก็สําคัญตรงกันข้ามกับพวกบูร์จีอาห์นี่จะตรงกันข้ามกับพวกมุอตซิลละและพวกคาวาริชพวกมุอตซิลละกับพวกคาวาริชเป็นพวกสุดตรง พวกสุดโตพวกเคร่งแบบสุดสุดมองว่าใครทำผิดนิดเดียวคนนั้นก็จะต้องอยู่ในนรกตลอดกาลไม่ได้ชีวิตนี้คุณต้องทำดีอย่างเดียว ถ, ถ้าใครไปเผลอทาผิดไปพลาดทำผิดอย่างเดียวเนี่ยคอลีโดนโมคอนละโดนฟินนาบไม่มีทางที่จะเะตาบัตตัวได้อีกแล้วในขณะที่พวกมอร์เีย์นี่ทำได้ทุกอย่าง ดื่มเหล้าก็ได้ผิดประเวณีก็ได้จะขโมยก็ได้ถ้าคุณเชื่อว่ามีอัลลอฮ์คุณก็พอแล้วอันนี้พวกมอุอลิมไม่ต้องทําอะไรก็ได้ทิ้งละหมาดก็ได้นะจะทําผิดยังไงก็ได้คุณได้เข้าสวรรค์แน่นอนถ้าคุณมีอัลลอฮ์แค่นั้นพออันนี้พวกมุสลิมอีกพวกหนึ่งคือพวกมตุตะซิละ่ากับพวกคาวาริชมองว่าทาผิดทําบาปใหญ่เนี่ยไม่มีโอกาสได้สวรรค์คนละขั้วกันเ ล, ลนย أهلو السنة والجماعة تجوا ضمكلا เป็นมุสลิมทําผิดไม่ได้แต่ถ้าคุณเผลอทําผิดยังมีโอกาสที่คุณจะกลับตัวได้และในวันอาขัยรักเนี่ยคุณยังมีโอกาสที่จะได้เข้าสวรรค์ได้ถ้าอัลลอฮฺตัลเลาอภัยโทษให้กับคุณนี่คืออะตีดะของเราอะตีดะของอัลลอฮฺสุนนะอัลลอฮฺจะาอย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องการสื่อตรงนี้ก็คือว่าอัลลอฮนายูสัดีกูนาบิยุลมิดดินการเชื่อในวันอาขัยรักเนี่ยมันจะต้องมีหลักฐานว่าเราเชื่อจริงๆ นั่นก็คือการปฏิบัติละหมาดให้ครบถือสินอดให้ครบบริจาคทานทำอมามะที่เราสามารถจะทำได้ไม่ใช่ว่าเชื่อเชื่อเชื่อแต่ไม่มีหลักฐานปรากฏเลยว่าคุณเป็นคุณเป็นมุสลิมแท้จริงนะครับต้องระวังประเด็นนี้ต่อไปนะครับวะลลัมลิณห์มุมิน عذاب ربه مشفقون الله أ ك ب, ب อันนี้เนี่ย มันเกี่ยวข้องกับวันอัคราชเช่นเดียวแกันแต่มันจำเพาะเจาะจงมากกว่าประการที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้อัละลงโัฮมไปนองครบทุกวันลหมายถหมคนาี่เกนรงกลัวเรก Allah ็ปฏิบัตัวเพื่อที่รับผลานตอบแาอลลพฮฺน้องครับทุกวันนี้เราละหมาดไหมเราเชื่อในวันอัคราฐไหมแล้วเราก็ปฏิบัติตัวเพื่อที่จะรับผลการตอบแทนจากาอาัลอลอ่า เรามีความรู้สึกว่าเราจะรอดพ้นจากกราร เ, าเาลโซการกัทธิมาร์าลาหรือเปลาอันนี้ก็เป็นจุดที่ละเอียดอ่อนมากอัลกุรอานพูดถึงประเด็นที่บางครั้งเราเข้าไม่ถึงอ่ะถ้าอัลกุรอานไม่พูดเนีย่ยเขตับสีว่าอย่างไรเขาบอกว่าไออันนะฮุมมาอัคุวะทีอิมานิ์นะคนที่เป็นมุสลิมที่แท้จริงนี่ถึงแม้ว่าเขาจะศรัทธาอย่างเต็มที่ มุชฟิกูนวกสแม่ลิ h ความศรัทธาก็แข็งแกร่งแล้วทำอ a ลความดีก็ไม่หยุดไม่ย่อนแล้วเนี่ยแต่เขาก็ไม่เหลืองไม่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยละยะซิมูนบินะเิินอซาบิละไม่กล้าฟันธงว่าตัวเองจะรอดพ้นจากการลงโทษของล็อกสุบฮานอวตาแล้วนี่คือมุขมินที่แ ท, ท้จริง โมกมินที่แท้จริงจะไม่อวดอฉันประกันตัวเองไม่มีโมกมินที่แท้จริงจะไม่พูดอย่างนี้เด็ดขาดโมกมินที่แท้จริงจะไม่พูดว่าตัวเองเนี่ยเป็นบ่าวที่สุดๆแล้วต่อ Allah Subhanahu Wa Taala ไม่ใช่โมกมินที่แท้จริงจะเกรงกลัวว่าตัวเองเนี่ยอามัลที่ตัวเองทําเนี่ย จะจจะหลุกออกไปจากตัวเองเมื่อไหร่ก็ได้แพีงกลัวอย่างมากโดยเฉพาะประเด็นที่เราเรียกว่าอันนิฟาอ่ะการกลับกรอบนี้เร า, เ ร, ารู้สึกว่าเราจะเคยพูดประเด็นนี้บ้างพอสมควรนะครับซาบ้าทุกคนจะกลัวว่าตัวเองนี่จะเป็นโมนาเตอรอีหม ي م ا ของซาบ้านี่จะไปเทียบกับเราไม่ได้เลยนะเราจะเอา إ ي มานของเราไปเทียบกับ إ ي มานของอุมารอิงลุลคาต้าบได้ยังไงคนเรืองเลย แต่เชื่อหรือเปล่าครับว่าอุมะริมุลขะตาบเนี่ยเกรงกลัวว่าตัวเองจะเป็นคนโมนาฟิกจะเกรงเกรงกลั ว, วตัวเองจะมีโรคที่เรียกว่นานิฟากนิฟากคืออะไรนิฟากก็คือต่อหน้าสแสดงออกว่าเป็นมุสลิมแต่รับหลังเป็นอย่างอื่นอัลฮัซันอัลเบสรีบอกว่าอิทธิลักษสิร์วัลแกลนัย น, นิฟากก็คือตอนหน้าเนี่ยดูหน้าตาเป็นมุสลิมดีมากแต่รับหลังเนี่ยเราแกล้งไหมที่จะรับประกันตัวเอง คนละแบบกันเลยตอนที่เราอยู่ต่อนหน้าคนอื่นในสาธารณะตอนที่เราอยู่คนเดียวกับอลอดสว่างไสหล่ะเห็นไหมฮะคนที่เป็นมุกมินจริงๆเขาจะกลัวว่าตัวเองจะเป็นแบบนั้นไม่ใช่ว่าโอ้โหสุดยอดไม่มีแล้วคนที่เหมือนพวกเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าแยกเพศคนได้เลยอคนนี้เข้าสวรรค์คนนี้เข้านารกคนนี้อยู่ ช, ชั้นที่หนึ่งคนนี้อยู่สักรวรรดิชั้นที่สองคนนี้อยู่นรกชั้นแรกคนนี้อ๋ออัคร นี่ไปไปเตลิดมากแล้วแบบนี้ไปเตลิดไม่ใช่แล้วต้องเกรงกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นพวกที่ใช่ให้ลลอสเปรุ่นน่ากลัวมากเหมือนกับที่อัลลอฮ์บอกว่าวั ل ล ي ีนายّ ن َ م َ آ ت َ و َ و َ ق ُ ل ُ و ب ُ ه ُ م ْ وَجِلَةٌ أ َ ن َน ه ُ م ْ إلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ให้ ص ก ق เกรงกลัวว่านักกลัวว่าลเราจะไม่รับสัตว์กของตัวเองถือสินอดแต่ก็เกรงกลัวคือ ไปในระเข้สิวรร a หมายความว่าอยู่ระหว่างความหวังกับความกลัวหวังว่าละตาลาจะรับแต่กลัวว่าละตาราจะจะลงโทษเขากลัวมันจะไม่คลาสกลัวนะพยายามรักษาป้องกันตัวเองให้มากนี่คือความรู้สึกของคนที่เป็นเป็นมุสลิมจริงจริงอินน่าซาบารับดีฮิมไวรูมัตมุนเพราะสําหรับคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะรอดปลอดภัยจากอาณาจักรล่องสุภานะตาราเนี่ย คนที่มีสติปัญญาก็จะไม่คิดอย่างนั้นนะเราตะลาบอกเองว่าแท้จริงแล้วการลงโทษของพระองค์เนี่ยให้รู ม, มักนูนมันมันไม่มีอะไรที่จะมาประกันไม่มีบริษัทประกันไม่มีบริษัทสักบริษัทหนึ่งที่มามาให้บริการประกันชีวิตจากอาสาเพาะลอกสุภาพเราตะลาในโลกนี้นี่มีบริษัทประกันเยอะแยะประกันรถยนต์ประกันไฟไหม้ประกันอะไร b k a n layak. Perkanduan roh puncak azab Allah ni memang sangat merisakan. Ini macam mana azab Allah ni, memang kait dengan cara perkandian. Nok jauh rong, paling rong dia. Afa'aminal ladina makaruh. Amin tum manfih sementara. An ya yaksif bikkumul ar. Jika yatumu. Am amin tum manfih sementara. Ayyur sila alaikum hausibah. Tumai. ฮะอาอาเมนทุมท่านในส ما เอี่ยนจซิฟับคุณมุลอะร์ต فإذا هي ทมูร์อาอาเมนทุมท่านในมาเอี่ยุจะร์สเลาเกลยุคมพาซิบะฟัสะต์เอลามูนไคฟะนัดิรคนที่มุขมินจริงๆเนี่ยจะไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยอัลลอฮ์ปลอดคนที่มีความรู้สึกว่าปลอดภัยเนี่ยก็คือบรรดาคนกาเฟตเท่านั้นมุขมินจะมองบาปของตัวเองเหมือนกับ อะไรครับเหมอือนทีซบอกว่ามองบาปของตัวเองเหมือนกับวูเขาที่อยู่ข้างหลังแล้วพร้อมจะถล่มเขาเมื่อไหร่ก็ได้ในขณะที่มมนาฟิกและคนกาเฟรจะมองบาปของตัวเองเหมือนกับมแมลงวันที่เกาะที่เกาะที่จมลองกลับไปเช็คตัวเองดูว่าเรามองเรามองตัวเองอยังไงเรามองบาปของตัวเองอยังไงเรามองอมัมละของตัวเองอยังไง ห้ามโอ้โอวดเด็ดขาด น, นะครับการอัลอเจบูบินนัสการโอ้โอวดการรู้สึกว่าตัวเองดีการรู้สึกว่าตัวเองเพอร์เฟกการรู้สึกว่าตัวเองสุดยอดเนี่ยเป็นอัลโมบิค็อปเป็นเป็นหนึ่งในจํานวนสิ่งที่จะทําให้ตัวเองนั้นเสียหายเป็นแคบีรมินัลแคบาเอตเป็นหนึ่งในจํานวนบาปใหญ่ การมองว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นเนี่ยเป็นหนึ่งในจํานวนบาปใหญ่ที่ท่านนาบีบอกว่ามันเป็นอัลม uh ุลิกะเป็นอัลมูบิคอกเป็นเสียจะทําให้ทําลายคนคนนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังมากนี่เป็นอายะห์ที่ใหญ่มากนะครับถ้าเราทบทวนถ้าเราอ่านแล้วเราเข้าใจมันดีๆเนี่ยพี่น้องลองคิดดูมันจะมีผลต่อพฤติกรรมของเราในการใช้ชีวิตในแต่ละวันได้อย่างมากเลยเวลาที่เราพูดกับใครเวลาที่เราแสดงออกกับใครเนี่ย เราไม่ควรรู้สึกว่าเขาเป็นบ่าวของ Allah. เวลาที่เราเดินว إ ب ا บُ ا ุรَّาْ م َ ن ِน ل ذ ي ن يَمْشُونَ على الأرضِ. เฮ้าเนี่ยนะะคนที่เป็นอบิบาดุลรำมานจริงๆเขาจะไม่เดินแบบแบบคนนักเลงเขาจะไม่เดินแบบนักเลงเขาจะเดินแบบแบบเหมือนคนที่เรียว่าเล็กะเขารู้สึกว่าตัวเองเล็มกมากๆต่อห น, น้า Allah น ب ح ا ن ه وتعالى. นี่คือ อิทธิพลของอัลกุรอานถ้าเราสามารถเอามาใช้จริงๆมันจะมีอิทธิพลถึงขนาดนั้นนี่แหละครับนะที่เราบอกไปตั้งแต่บทนำที่เราสอนไปวันนี้ว่าจะทำยังไงให้มันเข้ามาอยู่ในทีวของเราจริงๆและเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเราจะไม่มีคุณลักษณะต่างๆที่นะนะอัลตัลลากรดเรียวอัอุซุเลาะห์มอีกสักอันหนึ่งทังไหม <laughs> อ่าไม่ถั่ละนะไม่ถั่ละก็เจิดนไม่ถั่ละ وال ذ ي ن ه م ل นหุ่มล حافظ و ن น ل ا 'علىأزواج ه م أو م ا ملك เเ ي م ا ن ه م ف ฟ ن ه م غير م ل و ่มินฟั ن มันข้าวว ذلك ฟ้าุล่าอิเเคหุมุลอายะทอายะนี้เป็นเรื่องเดียวกันนะครับก็ขอพระเจ้าพรับหน้ากันนะครับ Allah Taalaعلم ซุลลัล Allah Anabiinah m u h a m m a d i n u a l a a l i h e w a s a l l a m سبحان ر ب ك رب العزة كما يصفون عَلَى المُسلين ال الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله